อันพวกนี้ก็จะเป็นอั ป, ปนาโกศลเรียก ว, ว่าความฉลาดถ้าบริหารได้ตามหลักที่กล่าวไปเนี่ยจะเป็นปัจจัยให้ได้ปฐมฌานที่ละองคหะประกอบด้วยองค์5ะหลังนั้นปฐมฌานที่ละองคหะประกอบด้วยองคหะ เพิ่งจะเริ่มก็ง่ายนิดเดียวคุณค่อะไรเนี่ยนะสัญญาเราไม่มีมาก่อนเราไม่เคยรู้เลยเราจะเอาสัญญาอะไรมาลึกๆนเธอถ้าอย่างคําถามที่คุณว่านะคุณก็ไปดูไอ้ถ้าจะเจริญอันนี้ก็เอาบริกรรมนิมิตเข้าไว้ให้มันมีสัญญาในบริกรรมนิมิตก่อนเอาทีียแล้วมาเอาคือไอ้พวกนั้นมันเกิดมันเองไม่ต้องไปขนขวายมันมากนะมันเกิดมันเองแล้วถ้ารักษาอันนี้ดีอันนั้นมันจะได้มันจะค่อยๆได้ไปโดยลําดับเองแบบนั้นเถอะ น, น, นะคุณมีหน้าที่ถ้าเป็นต้นไม้ก็รดน้ํำพรวนดินไม่มีสิทธิ์ไปออกลูกนั่นไนงะไม่มีสิทธิ์ไปออกลูกแทนลำํำไยใช่ไหมไม่ได้ซื้อลำํำไยไปแขวนได้เองเลยนะมันออกลูกช้านักเอางั้นเหออไม่ต้องเพราะฉะนั้นก็มีหน้าที่รดน้ําพรวนดินฉีดยาไปนะ<อ>ส่วน<ป>นั่นแหละเพราะฉะนั้นเอ๋ถ้าบริกรรมนิมิตมากๆอุกกห์นิมิต ม, ม, ม, ม, มันจะเกิดเองถ้าอยู่ดูแลอุกกห์อุกกห์นิมิต ด, ดีมันจะได้ปฏิภาคนิมิตเอง แค่แล้วมันจะได้ห้องมันโดยลําดับไปอย่างนั้นทีนี้พอผู้ที่เจริญเนี่ยนะเขาบอกว่าจะถ้าได้ฌานที่หนึ่งเนี่ยองค์ประกอบเขาจะมีอย่าลืมนะว่าอารมณ์ของปฐมฌานคือปฏิภาคานิมิตที่กล่าวไปแล้วนะอันนี้คืออารมณ์ของปฐมฌาน ฌานเป็นปัจจัยแก่นิมิตหรือนิมิตเป็นปัจจัยแก่ฌานนะบ้าฮะนิมิต<ะ>เป็น ป, จปันปจจัยแก่ฌานนะจิตไม่ใช่เป็นปัจจัยแก่อารมณ์นะอารมณ์นี่เป็นปัจจัยแก่จิตนนเนี่ยนะอิพาก์นิมิตนี่ชนะเป็นตัวกาหนดว่านั่นคือปฐมฌานอ๋อยัง กปกติแลว้วปฏิภาคานิมิตนะมันสามารถเป็นอารมณ์ของอุปจาระก็ได้นะาานดเนี่ยนะปฏิภาคนิมิตเนี่ยเป็นอารมณ์ของอุปจาระก็ได้ไดอุปจาระก็อย่างคุณวิลาวันว่านะจูนจะได้แล้วแต่จะได้หรือไม่อยู่ที่เ น, นี่ยระหว่างจากนี้มาเนี่ยนะสปายะเจ็ด อปปนาโกสุลสิทําได้ไหละ่ะถ้าทำได้คนก็ได้ปฐมฌานไปทีนี้ย้อนมาว่าถ้าปฐมฌานเนี่ยอย่างที่กล่าวนะชั้นแรกต้องสงัดจากกรามสงัดจากกุศลเพราะั้นคนที่จะเจริญเนี่ยนะตั้งแต่เริ่มบริกรรมนิมิตเนี่ยที่ที่ก่อนที่จะเป็นปฏิภาคานิมิตเนี่ยนิมิตมาจากอะไรนะอกหานิมิตตอนที่จะได้อุกหานิมิตเนี่ยอะไร บริกรรมนิมิตเพราะนั้นพื้นฐานในการก่อนที่จะเจริญอันนี้เขาเรียกว่าเห็นโทษของกามแล้วก็อะไรรู้คุนรู้คุณของเนี่ยเนกขมะเนี่ยนะรู้คุณของพวกเนี้ยเป็นอย่างดีคําว่าเห็นโทษของกาลเนี่ยขนาดไหนมาก็ไม่เอาแล้วกามอ่ะนะเห็นเห็นภัยเหมือนกับอะไรดี เหมือนกับว่ามันไปสะดุ้งกลัวอะไรมาแล้วนะบอกไม่เอาอีกแล้วเหมือนเห็นงูแล้วก็นึกแล้วก็เสียวเลยอ่ะนะก็จริงๆแล้วก็บอกว่ากามทั้งหลายอุปมาสิบใช่ไหมหนึ่งร่างกระดูกอธิกรูปรมานะร่างกระดูกสองออมังสูปมา ก, ก็เหมือนชิ้นเนื้อสามเหมือนอะไร่ เ, เหมือนคบเพลิงเนี่ยนะ เหมือนกลุมฐานเพลิงหรือเหมือนกองเพลิงอะนะเหมือนหลุมฐานเพลิงแล้วก็เหมือนความฝันเหมือนของขอยืมเหมือนกับอันะเหมือนกับผลไม้แล้วก็เหมือนกับออดาบเหมือนกับหอกหอกดาบนะกลุ่มเดียวกันแล้วก็เหมือนกับผลไม้เหมือนกับ หัว ง, หนะงูหัวงูเห่าอ่ะนะก็เปรียบเทียบ ว, ว่าพื้นฐานว่าเห็นถ้อยของกามหมายถึงว่ากามทั้งหลายเหมือนร่างกระดูกหมายว่าไม่มีผู้ใดบริโภคกามแล้วอิ่มได้จริงอ่านะไม่มีความอิ่มจากกามที่แท้จริงไม่มีอนะหมายถึงว่าบ่งถึงว่ามันอร่อยน้อยมากอ่านะมันก็แป๊บเดียวเสร็จแล้วก็บริหารในคัมภีร์ท่านก็บอกว่าเหมือนอย่างว่าสุนัขตัวหนึ่งมันแทะท่อนกระดูกอ่านะมันแทะอยู่ครึ่งวันมันจะอิ่มไหม ก็ไม่อิ่มฉันใดกามทั้งหลายก็ฉันนั้นชอกามทั้งหลายเหมือนชิ้นเนื้อหมายถึงว่ามันมีนกตัวหนึ่งไปคาบได้ก้อนเนื้อมาก้อนโตเลยนะมันก็บินยิ้มกระยิมในใจนะคาบก้อนเนื้อก้อนโตมานะนกตัวอื่นมาเห็นทําไงเพื่อนเขาแบ่งงั้นนี่ไม่ให้อนะมันก็ไปงกไอ้ตัวก็ตีจนกว่าจะตกเนื้อมันจะตกจากปากไอ้ตัวนี้ไอ้ตัวใหม่ก็มาคาบต่อตัวที่คาบชิ้นเนื้อไว้นะตัวอื่นก็มาตีสักงอมพรามเลยนะก็ทิ้งคาย ตัวอื่นก็มาจิกเอาไปอีกเนี่ยนะก็สรุปว่าอยู่กับมือผู้ใดผู้ น, น, นั้นเนี่ยสะบักสะบอมเลยอย่างนั้นนอะกว่าจะปล่อยได้นเนี่ยนะสะบักสะบอมท่านก็บอกว่าการเหมือนกับชิ้นเนื้อการทั้งหลายเหมือนคบเพลิงเนี่ยนีกนะ็ถ้าใครที่มองมาเคยเอาลำปอนะลำปอต้นไม้เนี่ยต้นเท่าๆ น, นิ้วมือเนี่ยมาแห้งกันนะจุดไฟจุดไฟนี่ถ้าเดินถืออันนี้ทวนลมนะี่ สเก็หรือเปลวมันจะตกมาใส่ตัวเนี่ยนะมันจะตกมาไหมชั้นใดกามทั้งหลายเนี่ยนำมาซึ่งความร้อนเนี่ยซึ่งอาจจะร้อนค่อยๆร้อนเล็กๆน้อยๆนอยเนี่ยนะสรุปว่ามีอะไรแล้วจะนำมาซึ่งความยุ่งยากใจกับสิ่งนั้นหมดเลยเช่นตัอย่างมีรถนะถ้าเขาเฉียวหน่อยนี่ก็อะไรเกิดขึ้ น, นะสะเก็ดมันก็ตกใส่แล้วนะสะเก็ดของรถมันก็ตกใส่ให้เล่าร้อน ค, อคือคือมีอะไรก็นำมาซึ่งความร้อนมาเรื่อยๆนะ เรียกว่านําปัญหามาไม่มีที่สิ้นสุดท่านก็บอกว่าเหมือนกับคบเพลิงเนี่ยถือไฟเดินทวนคบเพลิงมันก็ตกมาใส่ตัวเนี่ยนะหรือไม่ก็ถ้าถือเทียนแล้วก็เทียนที่มีน้ําตาเทียนเยื่อเนะีเดินชูแล้วน้ําตาเทียนมันตกใส่จะเป็นยังไงอันนั่นแหละการเหมือนกับหลุมคบเพลิงก็เป็นอย่างนั้นแล้วการทั้งหลายเหมือนลุมฐานเพลิงหมายให้ว่าสแสวงหากามก็ทุกในภพนี้แล้วก็โดยมากสแสวงหากามด้วยจิตเป็นกุศลหรืออกุศลอกุศลให้ผลเป็นสุขหรือเป็นทุกข์ ทานก็บอกว่าทุกทั้งโลกนี้ด้วยทุกทั้งโลกหน้าด้วยแล้วก็ได้สิ่งเหล่านั้นก็ไม่ต่างอะไรจากความฝันเนี่ยนะความฝันเนี่ยนะเคยฝันว่าเคยมีนั่นฝันมาเคยได้นี่เป็นต้นเนี่ยนะหรือการมทั้งหลายเหมือนของขอยืมเข้ามาก็คือบอกว่าไม่มีอะไรที่ไม่ต้องส่งคืนเนี่ยนะไม่มียืมหมดทุกอย่างเลยนะเสร็จแล้วการมทั้งหลายเหมือนผลไม้เหมือนผลไม้นี่อุปมาเหมือนอย่างว่าบุรุษคนหนึ่งเนี่ยไปเห็นต้นไม้ต้นหนึ่ง ผลดกมากแต่ต้นมันสูงอะนะดกมากแต่ความได้แหม่หิวหิวด้วยขึ้นต้นไม้ก็เป็นก็เลยปียนขึ้นไปใหญ่เลยนั่งกินผลไม้อะเล็อะอยู่บนต้นไม้นั่นแหละแต่ชายคนที่สองนี่ถือขวานมาด้วยก็มาเลือกอ้าวต้นนี้มันผลไม้นี่ก็เลยเอย๊ฉันก็ขึ้นไม่เป็นขวานก็มีทําไงก็รีบหัวซัดโคลนเลยนะป๊กปอกอกไปเรื่อยไอ้คนที่อยู่บนต้นไม้ทําไง ถ้าไม่ลงอะไรจะเกิดขึ้นก็บอกว่าถ้าเขาโค่นล้มนะถ้ามาล้มมาพร้อมนั้นก็ไม่ตายก็เกือบตางตายนั่นแหละเหมือนกันชั้นใดก็ดีกามทั้งหลายก็เป็นลักษณะนั้นถ้าใครไม่รีบออกจะเป็นยังไงถ้าถ้าบอกบริโภคแล้วไม่รีบจากนะก็ก็บอกว่าถ้าเอทธรรมดาก็ไม่น่ามีปัญหาไอ้สาคัญว่ามันจะเป็นงูเป็นแมลงเป็นอะไรเฝ้าอยู่แถวนั้นนะ สํานวนว่าติดในที่ดินแล้วไปเกิดเป็นกบเป็นเขียดเฝ้าที่ดินเนี่ยจะยุ่งก็จะลักษณะนั้นนั่นเองเพราเฉะนั้นว่าเหมือนผลไม้กามทั้งหลายเหมือนกระดาบอ่ะนะมันก็ดาบสองคมอ่ะนะมันก็กลับมาฟันตัวเจ้าของกันแหละกามทั้งหลายเหมือนกับหัวงูเนี่ยนะก็คือลวดลายมันวิจิตรก็ดูดีหรอกแต่ว่าอย่าให้มันกัดเข้าล่ะอนี ก็สำนวนว่าถ้าคนที่เราชอบชอบแล้วคนนั้นก็ด่าเราจะรู้สึกยังไงอันนี้อันนั้นจะเดือดร้อนมากแล้วก็เห็นโทษของกามว่าโรยเบดเสร็จนะคำว่ากามเน้นทั้งว่ากามมาพบนี่เห็นหมดเลยเห็นโทษว่าเออเนี่ยวัตถุกามเป็นที่ตั้งแห่งกิเลสกามอันนี้ถือว่าเป็นอัธยาศัยก่อนแล้วก็เห็นคุณของเน่ขมมาเห็นคุณของปฐมฌานที่จะทาให้พ้นจาก กามทั้งหลายก็เห็นคุณของกุศลจิตกุศลธรรมอันนี้อย่างมากเพื่อที่จะออกจากกามอันนี้ถือว่าเป็นอัธยาศัยในเบื้องแรกก่อนเนี่ยนะแล้วก็มาเจริญกสินบริกรรมนิมิตรักษาอุคหานิมิตให้ดีจนได้ปฏิภาคานิมิตทําให้ได้อุปจาระเพราะได้อุปจาระก็พวกสปายะอ ป, ปนาโกโสลก็ทําให้ดีเพื่อจะได้ปฐมฌ า, านะนะกว่าจะได้ปฐมฌ า, านถ้าได้ปฐมฌ า, านนะอย่าลืมว่ามหาพรหมเลยนะตาแหน่งอันนี้ ถ้าทำได้ดีเนี่ยมหาพรหมเลยแหละกร่าวว่าบันไดก้าวขึ้นไปสู่ความเป็นพระเจ้าเพราะถ้าได้เป็นมหาพรหมเนี่ยบางกลุ่มเนี่ยนับถือว่าเป็นพระเจ้าเลยใช่ไหมห อ, อ้สสาธุอะไรจะเก่งขนาดนั้นขอให้มันเห็นโทษอย่างนั้นจริงๆเออ เอานะถ้าเป็นอสัญญาัตาพรห้าร้อยกับกับตกวนวนอยู่ในเดรฉานกับนรก5้าร้อยกับเอาวันไหนอสัญญาตดีกว่านะถ้าเทียบกับกามมาพบนะเอาเอาเอาพรหดีกว่าแต่ถ้าเทียบกับนิพานแล้วก็พบไหนก็ไม่ดีทั้งนั้นเลยพันพื้นฐานของคนที่เจริญอย่างงี้นะสัดจากกามสงัดจากากุศลธรรมทั้งหลาย คำว่าสังอาจจากกรรมในที่นี้ท่านบอกว่าสงัดจากวัตถุกรรมสงัดจากกิเลสกามเนี่ยนะผู้ที่สงัดจากกรรมอันนี้หมายถึงสังอาจาอะไรกิเลสกามหรือสงัดจากกิเลสขออภยัยสงอาจากวัตถุกรรมด้วยวิเวกไหมคือกายวิเวก นะสงัดจากกิเลสกามด้วยเิตตวิเวกเนี and, ่ยนะอันนี้เรียกว่าคนผู้ที่เจริญอันนี้ต้องสังัดจากกรรมเพราะที่ไม่สงัดจากการมจะได้ฌานไม่ได้ผู้ที่ยังได้ฌานจะต้องสงัดจากกรรมอันนี้เป็นเป็นเรื่องธรรมดาเลยว่างั้นเถอะนี้ถือว่าเป็นเรื่องปกติว่าคนที่ได้ฌานต้องสงัดจากกรรมคนที่สงัดจากการมจะได้ฌานเนี่ยนะอันนี้ถือเป็นเรื่องธรรมดาเหมือนอะไรเหมือนอย่างว่า ถ้ามีมืดต้องไม่มีสว่างถ้ามีสว่างต้องไม่มืดเนี่ยนะและสลัวสลัมเป็นยังไงไม่ใช่สลัวสลัวนะหมายว่าถ้ามีแสงสว่างถ้ากลางวันก็ไม่ใช่กลางคืนนะลักษณะนั้นอนะ่ะถ้าผู้ที่ได้ฌานนี่ต้องสงัดจากวัตถุกรรมเพราะจิตเอานะฌานที่หนึ่งถึงฌานที่สี่ที่ที่เป็นธรรมดาทั่วไปที่ไม่ใช่อภินญาต้องมีบัญญัติเป็นอารมณ์เท่านั้น เพราะฉะนั้นจึงไม่ใช่วัตถุ ก, กรามโดยประการทั้งปวงอันนี้นะเพราะฉะนั้นต้องสลัดออกจากวัตถุ ก, กรรมทั่วๆไปด้วยการเห็นโทษของวัตถุกรรมแล้วจิตจึงน้อมไปหาบัญญัติอารมณ์เนี่ยนะเพื่อรักษาบัญญัติอารมณ์อันนั้นเอาไว้แล้วเห็นโทษของกิเลสกรรมเนี่ยนะให้มากๆจึงจะรักษาไอ้กุศลจิตที่มันเป็นไปอย่างต่อเนื่องให้ได้ อันนั้นก็มีบัญญัติไม่ใช่มีมีบัญญัติเป็นอารมณ์กรรมฐานที่มีปรมัจา์เป็นอารมณ์นั้นคือพวกอนุสติพวกอาหาเรปฏิกูลสัญญามรณานุสติพวกนี้จะมีปรมาจารย์เป็นอารมณ์ซึ่งไม่ไม่สามารถได้ปฐมฌานเป็นต้นอาหาเรปฏิกูลสัญญาก็มีปรมัจา์เป็นอารมณ์เราะั น, นบัญเรียกว่านวัตตภารมนะภาษาเรียกว่านวัตตภารม์ อารมณ์ที่กล่าวไม่ได้ว่าเป็นประมัดนั่นเองทีนี้ต่อไปว่าผู้ที่ได้ฌานจะต้องสละกา ม, มาสุขเห็นไหมแล้วก็ถือเอาเนคขมมะสุขเขาต้องสละกา ม, มาสุขนะเนี่ยคำว่าสงัด จ, จากกามหมายถึงสละกา ม, มาสุข แล้วถือเอาสุขที่เกิดจากเนคขมมะเนี่ยนะสุขที่เกิดจากกุศลนั่นเองนะสุขที่ไม่มีโทษพระพุทธเจ้ า, เาสอนให้รังเกียจการมาสุขใช่ไหมและให้เอาถือเอาเนคขมมาสุขเพราะเป็นเนคขมมาสุขนั้นไม่มีโทษสละวัตถุแห่งสังกิเลตอันนี้อันนี้สละ สังกิเลสสังกิเลสคือตันหาเท ธ, ธิทุจริตเนี่ยนะแล้ก็สละวัตถุของสังกิเลสแล้วก็สละสังกิเลสเนี่ยนะอันนี้คือคุณสมบัติของผู้ที่ได้ฌานนะแล้วก็ละเหตุแห่งความละโมกแล้วก็ละเหตุแห่งความเป็นพานคือ พวกพวกข้างบนเนี่ยนะก็เป็นที่ตั้งของความละโมบใช่ไหมวัตถุกามเหมอะนะละความละโมบแล้วก็ละความความหลงหลงก็คือความเป็นพานเหมอะนะอันนี้เป็นคุณสมบัติทั่ ว, วไปของผู้ที่จะได้ฌานต้องต้องเป็นลักษณะนี้ <c oughs> แล้วผู้ที่ได้ฌานเนี่ยนะเขาจะต้อง คำว่าสงัดจากการมประกาศถึงว่าเขามีประโยค่าที่บริสุทธิ์ประโยค่าสุดที่เนี่ย น, นะเขามีประโยค่าที่บริสุทธิ์แล้วก็มีอาสยะที่บริสุทธิ์เนี่ยนะอาสยะที่บริสุทธิ์ถ้าไม่มีประโยค่าที่บริสุทธิ์อาสยะที่บริสุทธิ์นั้นจะไม่ได้ฌาน ตัวนี้เขาข่มตันหาได้อันนี้ข่มอมวิชชาแล้วตัวนี้สงัดจากโลภะมูลจิตแปดอันนี้สงัดจาก อาุศล4คือโทสะ2โมหะสองันนี้คือผู้ที่ได้ชาเนี่ยต้องสงัดจากโลภะ8สังัดจากอากุศลเพราะสังัดจากอากุส ล, ละธรรมทุกชนิดเหมือนกันเถอะเพราะผู้ที่จะได้ชานี่ต้องละอากุศ ล, ละจิตตุ บ, บาทโดยวิขำพระน้าประหารได้อะ เน้นพุทธพจน์ที่ใช้คําว่าสงกัดจากการมสงกัดจากอากุสุลธรรมทั้งหลายบรรลุปฐมฌานเนี่ยนะที่ประกอบด้วยปีติสุขที่เกิดจากวิเวกวันนี้พื้นฐานทั่วๆไปของใครที่เน้นจะเจริญฌานนะก็เอาคุณสมบัติเหล่านี้มามาเปรียบแล้วก็ปรับอัธยาศัยของตัวเองให้เป็นไปตามแนวนี้ไอ้การที่ปรับอัธยาศัยไปตามแนวนี้เขาเรียกว่าเนกเนกข ม, มัตยาศัยเนี่ยนะเนกข ม, มัทยาศัยอันนี้ต้องมีให้มากให้บ่อย <c oughs> แล้วก็เขาก็เป็นคนที่สงัดจากกามสงัดจากอากุศลแล้วก็ได้กายวิเวกกับจิตวิเวกเนี่ยนะนะพอได้ฌานชำนานแล้วค่อยว่าอีกทีหนึ่งนะแต่ไม่ชำนานนี่ไอ้องค์ประกอบเหล่านี้ต้องต้องมีบริบูรณ์หมดเลยด <c oughs> เดี๋ยวพักสังหน่อยนะ ตอครับขอเชิญฟัง ต, ต่อครับเาเปิดเอกสารหน้า64สี่นกับหน้า9้าเปิดหน้า9ก้ากับหน้าห4บสี่สองหน้าเลย เอาก็จับไว้ตรงกลางก็แค่นั้นไะก็ได้แล้วสองหน้า